เพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ผิดแะไรกับสัสตว์เราจะเห็นได้ว่าศาสนานเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและปีญญาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากเพื่อศาสนามรารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมรญยา่าที่นิ่มนวลนห่ อ, อ น, น้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จัก บ, บุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้อนึกถึงเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก็เกิดกับวดัดคุญง่ายๆวางัันเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวดัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแั้นเจานายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลาดับลาดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาสิยามายาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นลูกของพุทธริย า, าอาการที่แสดงออกจิงงน่าดูน่าชมฉันต่อมาแต่คนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากบางไทยแล้ ว, ลวมันก็แปลกหูแปลกตาไปเลยก็ยึดออกมา นะครเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิบต่อตัวเองโดยที่เจ้าตัวเขาเ้าใจเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิบต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอยงทุกวันนี้มันเข้ากันหมดนี่คำอภิพุทธแทบจะไม่กลา้ากดแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลส ชอมีความอยากรู้อยากเห็นดับเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหงสมูกท้องกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วยิ่งติดยิ่งพั น, น, นงา่ายซึมซาบเขายึบไ้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจเะนั้นมันก็เลยเผยไปเผยไป ผลทุต่าเขามาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองปเสเทนี่มันเป็นไปขนาดวันแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดําบันกาใ น, นหมัยแม้แต่ครั้งบุจการก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราน สมกหลังกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นทั้ น, นี้มีจำนวนมากเขราเนีองนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำลับศาสนาจะไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มนีนี่ถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไ ม, ไมา่ออกมาจากพ่อจากแม่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 ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญน่ะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเั็นทางการเห็นพ่อแม่เป็นสําคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแปงกายวาใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นเดยลำดับนี้ว่เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่าลงไปเรื่อยๆ ถือว่าสิ่งที่ต่ำๆ ว, ว่าเป็นของดีอของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเอียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนรุ่งไปหมดนู้นอย่างโดดมานี่จาเวียงจันข้ามมาเมืองไทยแล้วนี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนเรชาไป ช, าชนโดดนี้ทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนี ถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นแล้วพี่นาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าสาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกหันฟังสิไม่เรียกประชาชนไม่เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตวนะ์เดรัจฉ า, านก็ให้อภัย ถ้ามีสิิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสาคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดีใครจะให้สิเสมอภาคให้ ควสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการละกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตนวไม่ได้าคิดหน้าคิดผายเลยโดยมีความเมตตาปา น, นีอะไรเลยนี่เหลือประชาชนาสาคัญอย่างนี้เหลอสําคัญในทางตายตามดีแต่สําคัญในความร่มเย็นเป็นจุกนี่ละเรื่องของกิเล่มันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรม ใครจะเสษสรรตันย์อว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลําดับลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่เาเพื่อตามเปีย น, นานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ไหมศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพออแม่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 คนขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังปุตตดาและสังกหัวให้อุธรรมปัถักแลแวบิดาบันดาผู้บังเกิดกล้าของตนต้องมีความไม่ยินตึงสูบยาให้เกิดความกระทบกระวทนันใดอีเป็นการอกช้ำพนาจิตใจแล้วการสงการสงเคราะห์พณิยาบุตร กุฎาราลัษณ์ของหูงมีความคบข้อบุตรปัญญาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศา ส, สนาไม่เป็นของสำคัญแนละ้วมันก็หมดความหมายแล้วมันรู้เปล่ากลัวจะไปเจี่ยวแย่งเอาหางเข้ามาใส่ดิแล้วสุ น, นัขก็จะเดือดร้อนอาไปแย่งอาหางมันก็หวงที่ไปแย่งหาหางเดี๋ยวมันกัดออกแล้อหาสุ น, นัขมันทำ กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุ น, นัขอีกไง น, นี่เลยเกิดฆ่าจะขึ้ไปจนกระทั่งสุ น, นัขไม่เดือดร้อนนั่งแต่มันตลอดสุ น, นัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็ต้องไม่มีคือ จ, จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะาจะเป็นแบบเของก็เป็นไมนาได้ตรงไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาคือหางเขาก็กระเซาได้เขาหัวหง่วงกัดเอาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีไงตัวลมก็โกรธหรือเกลียดชันเขาตามฆ่าสุ น, นัขเลย มันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็น น, น่าชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยหลวพุทธยากล่ำตงสอนสอนด้วยความในตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตันนั้น ให้ร่วงล้ําไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทําลายเห็นความสาคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะซ้อนไปหมดนี่แล้วกดทั้งหนศัพท์สนา ขมหากษศัตริ์เป็นของสี่ผ่านไาบ้างยื่นเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้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 ผู้ที่รู้ศาสนา ก, ก็คือใจสรุปง่ายจังว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนาธรรมนี่นเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาแต่พาะ อ, อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้านี่นปฏิบัติ ตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความน่มเย็นเข็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่พราะอย่างยิ่งการอารมณ์ทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแนแสนงอนเป็นตัวพิษตัวภยัยเพราะกิเลสยุดแย่ก่อกวรอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิผู้วันนี้มันก็เหมือนกันนี่ ยุ่ยย่ก่อกวรให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปแบบางนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแยกก่อก ว, วงนี่จริงไม่จริงไม่สําคัญขอให้ยุได้แย่แห้เล่าก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาอเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่ายทลายก็ไม่มากคำนึง ให้บอกมัลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษความดูแย่นั้นบ้างมันก็ยอมเห็นนะร้อนต่างเข้าไปร้อนต่างเข้าไปร้อนเท่าไรเก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรอย่างมากก็บน่นกั้งบ้างหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องอยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่อนี้นอกจากตัวสําคัญที่ แทกอยู่ภา น, นจิตใจหรือเราเป็นเจ้าอำนาจบังคั บ, คบหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมถึงป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลาดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัย ก็จืดจางหายไปโดยลำดับ ก, ก็ยอมในรับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวไผ่ใจก็มีความสงบลมเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยต่างแต่ ว, วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะ เราไม่สร้างพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านบุ่นวายประจามจิตจิตข้างดวงเลยเป็นที่ก่อไฟอืเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองใช้ไเตารีด ก, ก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือกัญหาอาสวะมันเผารวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา สถานที่นั้นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลํำดับมีปิตาภาวนาเป็นสําคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลําดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอํานาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผ่เบา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 แล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องับดับสิ่งนั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลําดับกันจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่ยอมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้ เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อบไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ยอ่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบาย เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอ จ, อ จ, จะละศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็าตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่ง ขึ้นไปโดยลํำดับจนถ้เห็นผลเช่นนี้แล้วยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิต ท, ที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสําคัญมากหมายหรือรูปคำพังเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสแงโดยความเสื่อส่า ข, ของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์นั่นก็จอยตัวเข้ามาเพราะมีหลัก ยึดอันดีแล้วที่นี่เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วที่นี่ในค่าค้าวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมือกิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบลมเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็น มีความรุ่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศ ร, ร้าหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็าภาวนารุ่นเริงบันเทิงแต่กับอัดกับธรรมคือความสงบเปลียนใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ เพือ่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเบียนใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขิพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะอยังยิ่งจิตเป็นของสำคัญเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาข้าโดยลำพัง น okay. hmm. er> Native ี่เรียเรียนเรื่องของตัวเองจนก็ทําร sure> ู้เรื่องของตัวเองโดยลำหนักลำหนักรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกําหนดเข้าภายในปิดใจนี่มัสว่างโลดเลยแบบเบากับเบาแล้ว เหมือนบเบาไปทั้งทั้งร่างกายเี่ยความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นที่พาให้เบาไม่น่ะอึ่งเหมือนภูเขาดาังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นลิงบันทินบันคื น, นปีเดือนผ่านไปก็ไม่จะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจะะารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะ ส, ส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึ้นนแก้ไข จ, จัดแจงสิ่งที่ธะทำ ให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลํานักอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญขึ้นตามความเปียนตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็มือนว่าสูงนะที่นี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุน อ, อาวากาศน่นที่นี่เพราะจิตมันสูง จิตมันแปลกประหาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพลี่ยนของนตอนอยู่ที่ไหนก็สง่า่าเผยนี่ดอสิีหละผลเ ห, เห็นประจักษ์พันธนจิตปัญญาพิจนารณาอยู่โดยลำดับในจินต่างๆที่มาสัมผัสสัมพัสท า, ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย แก้ขไขถอดถอนหนอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลําดับขาดไปโดยลํำดับลนดับผมสุดท้ายก่อนแ <Yeah. S 2> ยกหูเสียงกลิ่นรสเคร่อสัมผัสก็แยกอ yeah, อกกันได้จากกันได้เวทนาทัญญาทั้งขาหนึ่งญานก็แยกจากกันได้ด้วยกัญญาจิตกิเลสที่เคยสังจมกันอยู่ก็แยกกั น, นออกได้อ <Yeah. S 2> ไม่มีอะไรเหลื อ, ไ ม, ม อ, ไ, ลอไม่มีอะไรเหลือจะแยก มนมีอะไรไว้ที่จะแยกเรากับเป็นยอดแหิยอดแห่งธรรมสแส น, น, นสบายานี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจท่งศ า, างสาธนธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิบทางเดินให้กล้าพามาสู่ธรรมปรทิทต์คือความสว่างสวัยอันมือสุดผุดผ่องภายในใจิตใจ ซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเป็นไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเรยกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสเบื้องกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นที่กลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นที่นั่นเห็นี่ว่าเป็นคุณค่าไว้ะมดหลงโลกหลงมิตรานหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเลยลเราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าคญา มันเป็นบ้าใ น, นตู้แห่งตู้หอนโลกมันร้อนก็น ร, นกนร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์ตนเอง ม, มันไม่ยอมเดินไปนแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอํานาจทางที่เหลสอันหาวิชาปิดมืดมิ ด, ม ด, มดปิดตายมนุษย์เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนางตนเดินเข้าไปกดขีบ่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนมนุษยภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้น พราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนฉเฉลียวฉลาดอํานาจมากเลยมันรน้อนไปหมดเนี่ยน้าราดูนไงความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอํานาจของเิเล่กับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอํานาจแห่งธรรม มันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไป ส, สุดๆร้อนๆมันกับเวลาเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็นนะ่าขยับขยั่งในตัวเองนี่น่เ้าพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยดตามถนนทางเธอโนกเงินงานอยูตามถนนทาง เขาตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพญาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกห่งนั่นและแบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไกล่ฟ้องเลยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียมบ้าเพลินพันบ้าอํานาจบ้าศานาบ้าความวิววิชานโรกมันนอนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลมากความอยาก ใหญ่อยญ่โตใหญ่คลองโลกคลองสงสารทั้งทั้งติดตายชาติ ป, ดปิดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนีมันทําให้โลกมันร้อนแต่เดี๋ยวพิจนาวความตายตะวันสักสองหนตอนนั้นคือพอจะมีเบรคห้ามร้อ บ, บ้างงั้นโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างพวกเราผู้ผู้ปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งหันเร่ง คือเร่งต่อความภาคเกียนเพื่อจส่งสมคุณงามความดีให้มากมูนขึ้นโดยกำนังหมูนพวงมาลัยไปตามเฉดทิศทางเดินทางคำที่ท่านทรงสอนไว้เบรกหรือยับยั้งใสิ่งที่เห็นมาไม่ดีระว่างนี้ดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ร้ายทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละมาใจความสุขจะอยู่กับภัย ความปลอดภัยร่าทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญเท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดขึ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้าเกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทำรุร้วนภายในจิตใจนั่นแหละท่านเียโลกเย็นเย็นตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้น สงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตาก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพต้องเก็บวิธีต้องเผาอจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วไทใครจะมาทํางานทําศพให้เราดีามันทำให้มันดีไปอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่ไปห น, นีไม่นี้ทำไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขไมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญเลยของ ร, ร่างกาย เป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วมันจะไปห่วงปลายอะไรกับกระดูกทาบผีตาย อ, อีกยังไม่เห็นโทษทั้งมันหรือขนาดเน่าเสียไปแล้วยังไม่เห็นโทษทั้งมันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วกันไตายจนเน่าเสียยังไปห่วกไปห่วงอะไรมัน อ, อีกห่วงตัวจิตนี่ ที่จะไปะหากอบพบกาชาติปหาจับจองป่าช้าห่งตัวนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตัวนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของเกียรติอาสวะอ น, นีนเหตุเห็นผลกับตั ว, ตวเองโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องเป็นถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่ สมกับเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ทีแรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในาจิต พยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่องอย่าเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตามก็อันเดียวกันเลยระว่างก็ธาตุอันเดียวกันไปตื่นมันอะไรเรืเกิดเรื่องตายตื่ น, นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตึนทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตมันตื่นเต้น จิตู้เรียนรู้ทุกสิ่ทอย่างจิตพอตัวถึงมันพอแล้วก็สบายหายรู้ใดือก่อกวนต้องเ่านอารละเอว